เราไม่ชอบทำงานทำการกันเวลาจะทำงานกันรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมาก่อนเสียแล้วนี่ก็อยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบจะทำให้เกิดวิริยะหรือไม่มีวิริยะ ก, การฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินทั้งเหตุทั้งผลของการปฏิบัติเราจะรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง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 แต่กระทั่งบางครัง้งบางกลาวนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็มีเพราะปฏิบัติแล้วมันเห็นกิเลสตัณหาค่าศึกษัตรูล้มตายไปที่ละตัวสองตัวจิตใจมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับนี่คือความสำคัญของการฟังเทศฟังธรรม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 ต่างๆให้สําเร็จได้เช่นเรียนหนังสือถ้าไม่มีอิทธิบาทสี่ก็จะเรียนไม่จบกันเด็กที่เรียนหนังสือไม่จบก็เพราะว่าขาดอิทธิบาทสี่ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาร่ำเรียนพอไม่เห็นคุณค่าก็ไม่อยากจะเรียนพอไม่อยากจะเรียนก็ไม่มีความเพียรไม่มีความขยันที่จะไป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 ลดลงไปเหลือสองในสี่คือลดไปครึ่งหนึ่งพระอนาคามีนี้จะตัดสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้าประการด้วยกันคือสักกายทิฏฐิวิจิตกิชาชรีลพัตตาปรมาสกามราคะและปฏิฆะ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 วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งกันพระนรนก็บอกว่าสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหลังจากตื่นนอนขึ้นมาเป็นต้นเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าการระลึกเพียงแท่นี้ยังถือว่าเป็นการตั้งอยู่ในความประมาทเพราะว่าความรู้ที่ได้ระลึกรู้เพียง วันละสี่ห้าครั้งนี้จะไม่มีกำลังพอที่จะไปทำลายส ก, กายัทิฐิทำลายความหลงได้ถ้าอยากจะทำลายส ก, กายัทิฐิทำลายความหลงอนน์เธอต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเวลาเธอหายใจเข้าไปก็ให้พิจารณาว่าถ้าไม่หายใจออกมาร่างกายนี้ก็ต้องตาย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 เราจึงต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะมายืนยันกับจิตใจว่าต้องตายแน่ๆอยากไปอยากไม่ตายเพราะอยากไม่ตายแล้วจะไปทุกข์ไปเปล่าๆแล้วสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอาการทั้งสามสิบสองวันหลังว่างๆลองเรามาแยกดูเอาหนังเอาผมเอาเล็บเอาฟันแยกมากองกองไว้แล้วถามมันผมนี่เป็นเราหรือเราเราอยู่ตรงไห น, น ขนนี่เป็นเราเหรือเราอยู่ตรงไหนเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นเราเหรือเป็นตัวเราเหรือเราอยู่ตรงไหนมันมีแต่กระดูกมันมีแต่ผมมีแต่ขนมีแต่เล็บตัดเล็บทิ้งไปมันกายไปกไป็โยนทิ้งไปในดินตัดผมทิ้งไปก็ทิ้งไปในดิดมนดมันไม่เห็นมีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยในร่างกายต้องแยกต้องพิจารณาอย่างนี้มันถึงจะเห็นชัดแล้วเมื่อมันเห็นชัดแล้วมันจะได้รู้ว่า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 คณ ะ, ยะขยะกแยงเราก็จะหยุดการมารมณได้ถ้าเราหยุดการมารมณได้เราก็จะดับการมาราคะได้การมาราคะที่เป็นตัวทั้งความทุกข์ใจที่เราต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็เพราะการมารมณนี่แหละอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาโกดเกลีดเจ้าซ้อยว้าเหวพอได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับคนรักคนชอบก็มีความสุขขึ้นมา แต่ไม่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขาเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาจากเราไปอย่างเมื่อวานนี้ก็มีท่านเ่งก็มาเล่าว่ามีสามีแต่สามีแอบไปมีมีแฟนใหม่เพียงทารู้ว่าเขาไปมีแฟนใหม่เท่านี้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่มีกรรม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 พอท่านเร็จเรื่องของร่างกายแล้วท่านก็ต้องมาพิจารณาจิตอีกตอบอีกทีหนึ่งว่าะในจิตก็ยังมีสังโยชน์ห้าข้อด้วยกันก็มีรูปราคะอารูปราคะมีอุทธัจจะมีมานะมีอวิชชาที่ท่านต้องใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาอย่างต่อเนื่องแล้วในที่สุดปัญญาก็จะสามารถที่จะ ทำลายสังโยชน์เหล่านี้ให้หมดไปพอหมดไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องพิจารณาอีกแล้วความทุกข์ก็ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วเพราะต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดคือสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ก็ได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปหมดงานของการปฏิบัติก็กจบสิ้นลงที่ตรงนั้นหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไป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 ต่อไปก็จะได้ปัญญาที่จะมาทำลายสังโยชน์ทั้งหลายให้หมดไปได้การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรลงังเอวัเมวาอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกาปติ อิจิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสัมิจาตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพ so พิติยวิวัจจันตุสัพพารวโกวินัศตุมาเตปวตวันตรายสุขีทีขายุโกภา อาภีวาธานาศีริสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรมาวาทานติอายุวนโนสุขังทา ล, าลัต่อไปนี้ถ้าใครอยากจะถามคำถามก็ถามได้ ยกคนเรียนถามเจ้าค่ะว่าถ้าถือศีลแปดเจ้าค่ะแต่ต้องทานยาหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนี้ควรปฏิบัติยังไงเจ้าค่ะก็ปรึกษากับแพทย์ดูว่ารับประทานเวลาอื่นได้ไหมเจ้าค่ะ ค, ะคือรับประทานเวลาก่อนเที่ยงวันได้นังจากอาหารเที่ยงได้ไหมปล่าเจ้าคะ่ะเพราะว่าเราต้องถือศีลแปดเจ้าค่ะแต่ถ้า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 เราก็แบ่งเป็นสองมือมือละจาย์ันอย่าไปเกินมือสองจานจัที่ให้กินอาหารน้อยก็เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงนอนเรื่องของความเกลียด ค, า ค, ค้านและการรักษาสินแปดนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการภาวนาการปฏิบัติธรรม ก, การปฏิบัติธรรมก็มักจะมีความง่วงเหงา่วงเหงาเหาน อ, นอนมาเป็นอุปสรรค เนนิวันถ้าถือศีลแปดไม่กินมากกินแค่เที่ยงวันพอใบๆแล้วมันก็จะท้องก็จะว่างแล้วก็จะไม่ง่วงแต่พอ <c oughs> ตอนเย็นเราไปกินอีกเดี๋ยวมันก็ง่วงต่อฉะ <c oughs> นั้นก็กินน้อยๆกินเพื่อพอที่จะรับประทานยาได้ก็แล้วกันจะค่ะ <c oughs> หรือถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้อง ไม่ถือข้อนี้ไปชั่วคราวก่อนเพราะเรายังต้องรักษาร่างกายถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเดี๋ยวมันก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่ดีดบางทีถ้ามันมีความจําเป็นบังคับจริงๆก็เสียงข้อหกก็อาจจะผัดไปหน่อยหรืออยากทําทอย่างที่พูดเนี้ยก็ อ, อกินได้แต่อย่าไปกินมากเอาส่วนของ อาหารกลางวันมากินในตอนเย็นแทนกินเพื่อกินยาเอาเลย <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าติดกันเจคือพระอาจารย์แค่อย่างการปมงก่อนตายของผุทธชนนะคะต่างกับการละศักยายิทิฏฐิของพระโสดาบันตรงไหนคะไม่รู้เหมือนกัน ก็ท <mm um> ุกคนก็ต้องเป็นเป็นบุตุชนก่อนถึงจะปรงเพราะปรงได้ก็เป็นโสดาบันขึ้นมานี่จะปรงขาดหรือไม่ขาดจะขาดก็ต้องเห็นเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายแล้วเห็นทุกดับไปเพราะความยอมตายเพราะเห็นว่าฝืนความตายไม่ได้เป็นความจริงเห็นนิจจังเห็นอนัตตา ต้องเห็นอริยสัจสี่คบทุกขบวนการเห็นทั้งทุกที่เกิดจากความอยากไม่ตายเห็นทั้งการดับทุกที่เกิดจากการเห็นว่าร่างกายต้องตายไม่มีทางอื่น<ม>ก็เลยยอมตายยอมปล่อยพอปล่อยปั๊บใจก็จะหายทุกเพราะเพราะจะหยุดความอยากไม่ตายได้ก็ต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะเป็นโสดาบันได้เห็นแล้วมันจะไม่ลืมมันจะจําได้จนวันตาย เป็นเรื่องอริยสัจสี่แต่ถ้าปงด้วยวิธีจำยอมเช่นเครื่องบินจะตกก็เอาวะยอมตายอี้ถ้าเกิดพอเครื่องมันดีขึ้นมาก็โอ๊ยอยากจะอยู่ต่อขึ้นมาอันนี้ยังไม่เห็นขบวนการของอริยสัจสี่ยังไม่เห็นโทษของความอยากไม่ตายต้องเห็นโทษของความอยากไม่ตายว่ามันขัดกับหลักความจริง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 เมืนเหมือนของที่เราทุบทิ้งอย่างเนี้ยเหมือนไมโครโฟนตัวนี้เราเอาคอนมาทุบทิ้งมันก็ไม่รู้ว่ามันถูกคอนทุบแต่เจ้าของไมโครโฟนเสียปวดร้าวที่หัวใจเฉพาะไปยืดไปติดกับไมโครโฟนว่าเป็นของเราเอถ้าเป็นของคนอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมอย่างรถยนต์นี่รถของเรานี่ใครไปแตะหน่อยเป็นไงใจเสียวขึ้นมาว่าเลยนไงแกเอาคอนไปทุบกระจกนี่จะทุบขึ้นมาทันที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 ถามอ่ะมีถามต่อยเอาให้เอาให้เหคลียร์เลยอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านเจอเหตุการณ์ที่ถ้ำสาริกาใช่ัหยเจ้าคะแล้วก็ที่หลวงตาเจอตอนที่เจอโรคระบาดเจะอันนั่นก็ส่วนหนึ่งท่านเจอทั้งทุกขเวทนาแล้วก็เจอความตายด้วยทุกขเวทนาก็คือความเจ็บที่เกิดขึ้นในท้องหลวงปู่มั่นท่านปวดท้องมาก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 อาจจะแก้ในวาระเดียวกันอาจจะแก้ต่างวาระกันเช่นคนจะเป็นโรคมะเร็งนี้ขั้นสุดท้ายนี่มันจะทุกขเวทนาด้วยแล้วรู้ได้ว่าจะต้องตายนี้ไม่พ้นแน่ๆอันนี้มันก็จะเจ อ, เจอทั้งสองสองเรื่องพร้อมๆกั น, นการยอมตายอยู่สองแบบคือยอมตายเพราะว่ารู้ด้วยยังไงมันก็ต้องตายอ<ถ>ยอมตายแบบภาริยะถ้าตายแบบภาริยะต้องเห็นว่าความยอมตายนี้เป็นมรดับความทุกข์ใจ ที่ที่ไม่อยากตายคือคือสมุทัยได้ต่างกันต้องเห็นนะต้องเห็นความสัมพันธ์ของทุกสมุทัยนิโรธมากถึงจะตายแบบพระอริยะได้ถ้าตายเพราะจนมุมจนตรอกไม่มีทางออกอันนี้ก็จะจะยังจะกลัวตายในภพหน้าชาติหน้าใหม่เวลามีร่างกายมมันก็ยังจะกลัวตายอยู่แต่มันจะปองก็เพราะเพราะมันไม่มีทางออกทางเลือกเท่านั้นเอง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 เวลาเหตุการณย่าสัตว์สี่จิตมันก็รวมลงเหมือนกันอ่ารวมแต่มันรวมแบบที่ว่ามันรวมด้วยปัญญารวมด้วยปัญญามันไม่รวมด้วยเพราะมันจนตรอกมันรวมเพราะมันมันไม่ต้องการที่จะทุกขกับร่างกายนี้ต่อไปมันจะไม่มีความอยากที่จะไม่ตายต่อไปนั่นแสดงว่าผู้ปฏิบัติต้องรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับอ่าก็สรรพที่โกนต่อก็จะแน่ใจด้วตัวเองว่าอย่างไงกูตปวตายแล้วใช่ แต่ไปคุยกับผู้ที่ผ่านมาแล้วเพื่อเป็นการเป็นการเช็คข้อมูลก็ได้เช่นไปคุยกับครูบาอาจารย์ผมทำนี้ถูกหรือเปล่าเนครู่าอาจารย์นั้นก็จะบอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ถ้าเรามั่นใจไม่คุยก็ได้เพราะถ้าเราไม่ทุกข์กับมันถ้าเราเข้าใจหลักอริยาาสัจสีเพราะเราจะต้องใชอริยสัจสีในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ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 สิ่งที่เราไปติดอยู่นี่มันไม่เที่ยงมันมีใจมีเจริญมีเสื่อมเราห้ามมันไม่ได้เช่นชานี่มีมีเจริญมีเสื่อมรูปปัจจานก็มีเจริญ ม, มีเสื่อมมารูปปัจจานก็มีเจริญมีเสื่อมเวลาเราไปติดรูปปัจจานเวลามันเสื่อมเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเราอยากจะให้มันไม่เสื่อม <ừ. S 1> เราก็ต้องกลับเข้าไปทํารูปปัจจานใหม่เจริญรูปปัจจานใหม่มันก็จะขึ้ น, นล ง, ล ง, ลงทุกข์กับสุขกับมันไปอย่างนี้ ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ต้องหาความสุขจารู ป, ปรชานก็ได้มันก็ไม่มก็จะไม่มีความทุกข์กับมันก็จะได้ความความสงบ อ, อีกรูปแบบได้อุบเบกขาหาว่ามาวันนี้ทางบ้านคงไม่ได้ถ่ายกันมั้งคนิดดเดี่ยวใช่ค่ะอ่าพูดนะกับพระอาจารย์ครับ ตอนที่โยมมีคําถามหนึ่งว่าตอนที่โยมปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งมันรวมลวมใหายใจมันหายไปหมดแล้วก็ตัวก็ขนลุกเนี่ยฮะเรารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยโอมันมีความสุขมันดีมากเลยฮะแล้วก็อยากจะได้ตรงนั้นอีกอยากจะนั่งไปเลยอยากจะได้ตรงนั้นอีกเออแต่ก็แต่ก็ไม่เจออีกอยากทราบว่าตรงนั้นคืออะไรฮะแล้วก็ทําำไมจะจะได้ตรงนั้นอีกก็งั้นแหละก็คือความสงบไงที่เรียกว่าจิตรวมนล้วจิตเป็นสมาธิ ก็ต้องทำแบบที่ได้นั่งแบบไหนทาแบบไหนก็ต้องกลับมาทำแบบนั้นใหม่ก็สมาธิไงเจ็ดรวมเจ็ดสงบเจ็ดสงบเจ็ดรวมจิตปล่อยวางร่างกายปล่อยวางลมหายใจแต่เพียงเดียวเดียวเรียก ว, ว่าคณนิกะสมาธิถ้าอยู่ได้นานก็เป็นอัปปนาสมาธิเราต้องพัฒนาจากคณิกะให้เป็นอัปปนา กลับมาก็ต้องมาเริ่มเจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธดึงจิตไม่ให้ไปคิดปุงแต่งเรื่องเรื่องราวต่างๆพอมีเวลาว่า ง, งกง็นั่งเมื่อไหร่ได้ก็นั่งเลยนั่งบเื่อยๆนั่งมันบ่อยๆยิ่งนั่งได้บ่อยยิ่งนั่งได้นานเท่าไหร่ต่อไปมันก็จะชานานมันก็จะได้ตลอดเวลาต่อไปเวลานั่งเวลาไดก็ได้สาธุการค่ะนมสักการค่ะอ่ะ อิยมไปหัดท่องออยังโคมเกยกโยนะคะแล้วก็แยกเป็นเอาไว้ว่าเป็นพวงๆแล้วก็ไปไปเปิดหาดูไอ้ที่เขาชำระสพอนอโตมี่หลานนะคะอ่แล้วกตอนนั้นประกอบกับที่ได้เรียนถามพระอาจารย์เรื่องถิติผูตังแล้วยมก็มีความมีความเข้าใจตอนนั้นเห็นว่า ร่างกายมันไม่มีเราแล้วก็เราก็คือตัวตัวจิตแท้จิตเดินที่มีอวิชชาอยู่แล้วมันก็ความรู้สึกนั้นมันก็หายไปแล้วค่ะก็ทำใหม่เลยพัฒนาสติไปเรื่อยๆหรือ<ำ>พิจารณาปัญญาไปเือยเดี๋ยวจิตปล่อยมันก็รวมเข้าไปทีติภูตังอยู่แล้วจิตรวมจิตสงบเนะี่ยแต่ตอนนั้นโยมไม่ได้อยู่ในสมัธรคือโยมก็เดินไปเดินมาโยมโ ย, ยมก็ไดินไปแต่มัน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 ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างเดียวเหรอฮะถ้าเกิดพูดถึงการปัจจนกันเจ็บก็เขาติดอยู่ตรงที่ร่างกายนี้ค่ะติดที่มองไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายจาต้องยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายแล้วจะไม่จุบกับร่างกายอีกต่อไปแค่ะนี้ก่อนนะ หมดแล้วนะเวลานั้นก็บอกเพื่อนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตว่ารอที่หน้าก็แล้วกันเพราะเวลามันหมดพอดีอ๋อพออยู่ๆปีไม่ทราบจัดเต็มที่ก็นามดูก็ดีตามถ้าบอกว่าเป็นกพื่อนไหมตามท่าอาจารย์เดี๋ยวก็เจ๊ดเลยพอต้องใส่หน้ามาต้องดีนะฮะก็ยัง จะได้ฟังการทบบนีะคะามีเวลาไม่ได้อยู่ไกลแต่เราสอนทุ่านเก่จะได้ฟังเก่งาษาจีนดีมากเลยที่ว่าอะไรอะไรอะไร้งใส่เก่งภาษาจีนกันก็เชิญติดตามต่อไปทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมาแสดงธรรมนะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการโหลดขึ้นไป